เวทนาทั้งปวงทุกเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาว่าเป็นทุกขคือประชมรวมลงที่กองทุกเห็นเห็นทุกเวทนาว่าเป็นทุกกระทุกเห็นสุขเวทนาว่าเป็นวิปริณามะทุกเห็นอุเบขาเวทนาว่าเป็นสังขารทุกข์่าน้นเวทนาทั้งปวงปล้้นแต่ประชุมลงอยู่ที่ความเป็นทุกขนี้ก็มาแบ่งว่าสุขเวทนาก็มีสองสุขเจือด้วยหมายถึงว่าสุข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 ก็ฉันใดเพราะเวทนาก็เกิดจากรูปฉันนั้นเพราะเวทนาเป็นสิ่งที่อาศัยรูปเกิดขึ้นเมื่ อ, อเหมือนกับว่าเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากกลองเนี่ยนะก็กลองผูกผูกไม้ตีกลองผูกผูกคนตีกลองเกือบป่วยตายอยู่แล้วไงแล้วตีตุ่มออกมาเนี่ยนะถามว่าเสียงกลองนั้นน่าประทับใจแค่ไหนฉันใดเวทนาที่เกิดจากรูปแต่ละรูปก็เหมือนกันก็าตามเห็นเวทนานั้นแหละว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเคยเห็นรูปเที่ยงไหม เมื่อรูปไม่เที่ยงแล้วความรู้สึกที่เก okay. <atures> ิดจากรูปจะเที่ยงไหมความสุขเกิดจากอะไรเกิดจากรูปใช่ไหมเมื่อรูปไม่เที่ยงความสุขจกยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากรูปใช่ไหมถ้ารูปไม่ยั่งยืนแล้วความสุขที่เกิดจากรูปจะยั่งยืนไหมความถ้ารูปไม่ยั่งยืนแล้วความทุกข์ที่เกิดจากรูปจกยั่งยืนไหมรูปไม่ยั่งยืนเวทนาที่เกิดจากรูปจกยั่งยืนไหม นันตามเห็นรูปไม่เที่ยงจึงตามเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยากไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่มันมันอยู่ด้วยความสุขหรือความทุก ข, ข์กันแน่ถึงจะสุขก็จริงอยู่แต่แม้มหาบริขรรารเยอะเหลือเกินกว่าจะได้รับความสุขเหล่านั้นสมมติะจะมีความสุขสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมแต่งรูปขนาดไหนจริงจะได้ความสุขขนาดนั้นใช่ไหมบางทีเนี่ยนะบางคนแอบต้องการความสุขที่เกิดจากการทานอาหารอร่อยๆจะต้องแต่งรูปขนาดไหนจริงจะได้ความสุขที่ได้จาก อาหารอร่อยเนี่ยนะถ้าจะมีความสุขจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องแต่งวัตถุขนาดไหนจึงจะได้ความสุขขนาดนั้นท่านถือว่าความความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาทุกเวทนานั้นจึงประชมลงที่กล่องทุกผู้ที่เจริญเวทนานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานจะไม่เผลอว่าเวทนาเป็นสุขไม่เผลอคืออย่างสมมติโอ้ร่างกายของเรานี่สบายไม่เห็นปวดไม่เห็นเมื่อย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 พอทุกข์ก็หวังเมื่อไรนะเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ไปบ่นให้หมอฟังนะไม่เป็นอย่างนี้เลยนะอุ้ยเมื่อก bon ่อนมันดีกว่านี้เยอะใช่แล้วเนี่ยนะต่อไปมันจะเป็นหนักกว่านี้อีกอยงั้นเลยนะแบบหมอพูดอย่างนั้นแทบปิดคลินิกเลยนะหมอเขไม่พูดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ถ้าพูดให้ตรงๆเราบอกวันนี้นะมันดีคนก่อนนั้นหนักกว่านี้อีกเนี่ยนะต่อไปคุณจะเป็นหนักกว่านี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีดีขึ้นหรอกเนี่ยนะ ถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วแต่ น, นี้มีแต่ทุกข์ใน medi, ที่สุดก็บอกว่าถ้าย Now, ู่มากนะคิดตรงไหนมันก็ทุกตรงนั้นเชื่อหรอคิดถึงหัวก็ปวดหัวคิดถึงคอก็เมื่อยคอคิดถึงตาก็ปวดตาคิดถึงจมูกก็ปวดจมูกคิดถึงฟันก็ปวดฟันคิดถึงต้นคอก็เมื่อยคอพูดถึงแขนก็เมื่อยแขนพูดถึงขาก็เมื่อยขาพูดถ <Mm, ึงเข่าก็ปวดเข่าพูดถึงหลังก็ปวดหลังโอ้ยพูดตรงไหนก็ปวดตรงนั้นไปหมดเลยทาไมมันเป็นขนาดนั้นเนาะอ้าวเพราะว่ารูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกเพราะฉะนั้นผู้ใดสวยสุขเวทนาก็อย่าเผลอว่าเป็นสุขจริงๆเข้าละ่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็นามาซึ่งความทุกข์ถ้าเราตามเพลิดเพลินในเวทนาว่าเวทนาเป็นสุขเนี่ยเป็นสุขเนี่ยจบจบด้วยอะไรจบที่ไหนโศกปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาถ้าตามเห็นทุกขเวเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ละ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 ความสุขข่าววิปาสสําคัญว่าสุขหรือเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสนาเวทนาทุกเวทนาของเรานี่ควรเป็นที่ตั้งแห่งวิปาัาสหรือควรเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสนาดีนะขอให้จริงอย่างที่พูดเธอขอให้จริงอย่างที่คิดเอจริงอย่างที่พูดกับจริงอย่างที่คิดไม่เหมือนกันนะขอให้คิดอย่างที่พูด <c oughs> แปลว่าพุเจตอนเวทนามันเกิดมันไม่ได้คิดอย่า ง, งี้ง่ า, งงายๆหรอก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 อุเบกขาแต่เวทนาเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยมอันตัดใจปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเวทนาเนี่ยนะแต่เชื่อไหมโดยมากศาตว์เนี่ยปรารถนาความสุขที่มีทุกขอยู่ก็ขอให้พ้นทุกที่ ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอารูปมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ปรารถนาให้เวทนาเป็นของสุขและยั่งยืนจะเป็นไปได้ไหมจึงเป็นไปไม่ได้รพรานพระองค์จึงสอนเพื่อออกจากทุกข์นะคําสอนจึงเป็นคําสอนที่เรียกว่านิยานิกระทำเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกขนะ์เนี่ยนะท่านถ้าผู้ใดติดข้องในเวทนาจบที่ไหนถ้าจบที่ทุกข์เนี่ยนะถ้า เ, เขาบอกว่า ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยนะเมื่อสุขเวทนาครอบงาโลภะก็เกิดเต็มที่ราคานุใสก็เอาเรื่องเลยนะยกกําลังใหญ่เลยถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นปฏิคานุสัยก็ตามครอบงาถ้าหากว่าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นอวิชานุใสก็ก็ท่วมทับเนี่ยนะถ้าราคานุสัยเกิดนะมันไม่อยู่แค่ราคาเท่านั้นมันตามด้วยทิฏฐิและมานะ อันนั้นมานานุสัยกับทิฏฐานนุสัยถ้าอาวิชชาเกิดขึ้นมันหยุดอยู่แค่อวิชชาไหมตามด้วยวิจิกิจชาแล ะ, และอะไรตามด้วยวิจิกิจชาและอุท ธ, ธะเออไม่ใช่ตามด้วยอวิชานุสัยวิจิกิจานุสัยอ่ะใช่ก็จะตามด้วยอนุสัยทั้งหลายพัน้าหากว่าเจริญเวทานานุปัสนาเจริญทุก ข, ขานุปัสนาถูกต้องละปฏิคานุสัยถ้าเจริญ